คุณแต้มเชิญส่งกันบ้านรู้สึกภาวนามาสองสวันนี้รู้สึกเป็นธรรมชาติมากขึ้นทาง น, นมีรู้ตัวรู้มีสติมากขึ้นค่ะต้องอยู่ต่อไปอีกค <c oughs> <c oughs> นนี้ภาวนาแล้วดีแล้วเมื่อเช้ารู้สึกว่ามีโมหะเยอะค่ะหลวงพ่อแต่ตอนนี้รู้สึกมันบางลงแต่ว่ามมไม่ตั้งมัน่น แล้วไม่แน่ใจว่ามันเกินจริงไหมคะหลวงพ่อไม่เกินนีแต่ไม่ตั้งมัน่นค่ะไม่ได้แกล้งทําถ้าเกินจริงต้องแกล้งทําฟ้าเห็นจิตที่พยายามเข้าไปจัดการแล้วก็บังคับปรุงอะไรขึ้นมาเรื่อยๆอะคะ่ะหลวงพ่อแล้วเมื่อเช้าก็โมหะเยอะคะ่ะอย่าไปเกลี่ยมันนะค่ะลงไป ของพ่อคะ่ะคือเดิมมาคะ่ะปฏิบัติในรูปแบบโดยการสวดมนตน์ค่ะแล้วเมื่อวานก็เลยเริ่มฝึกเดินจองกลมมาคะ่ะแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าที่ดูอยู่ที่ทำถูกิตขณะนี้นะะเป็นยังไงขณะนี้เ่รอคะก็เผลอไปอะ่ะไปกดเอาไว้ดูออกไหมไม่ออกคะ่ะใจนิ่งกว่าความเป็นจริงดูออกไหมไม่ออกค่ะใจเราไม่เหมือนตอนปกติขณะนี้ดูออกไหม อย <Okay>. ่างนะั้นถ้าเห็นความต่างก็ใช้ได้แล้ว <Ha. S 2> เราเรียนเพื่อให้เห็นความต่างนะจิตแต่ละขณะแต่ละขณะไม่เหมือนกันนะต้องดูจิตตรงไหนที่ไม่ได้เจอหลวงพ่อจิตตรงไหนที่ไม่ได้คิดจะภาวนาจิตตรงนั้นเป็นจิตธรรมดาของเรา <Ha. S 2> นี่เราก็มีหน้าที่แค่มีสติรู้ทันจิตธรรมดาธรรมดาของเรานะนะ <Ha. S 2> แต่พอมาเจอหลวงพ่อพอคิดเรื่องการปฏิบัตนะิเราไปสร้างจิตที่ไม่ธรรมดาขึ้นมา ย่งขณะนี้จิตมันไม่ธรรมดาแล้่ไอย่างนี้ไม่มีประโยชน์นะให้รู้ทันแล้วเลิกมันไปซะไปทำมันกลับไปเป็นคนธรรมดาแล้วมีสติตามรู้ไปนะแต่ที่ทําปกติก็ถูกหรือเปล่าคะ ถ, ถูกนะนะแต่แรงมันน้อยไปค่ะนะหลวงพ่อพ ร, รู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีแรองอ่ะค่ะมันต้องทําสม่ําเสมอนะทำในรูปแบบค่ะต้องเดินจงกรมต้องอะไรเงี้ยทำไปทุกวันไม่ต้องหวังว่าจะดี ถึงเวลาเราก็ไปเดินเดินแล้วก็คอยรู้สึกกายรู้สึกใจน ะ, ะมันจะมีแรงขึ้นมาแล้วมันดีเองอะเมื่อวานนี้มาอยู่วัดวันแรกก็เห็นว่ามันหลงไปบ่อยอะคะอ่ะแล้วก็เห็นว่าจิตเรามันเจ้า ก, กี้เจ้าการอชอบสั่งให้ อ, อย่างน้นอย่างนี้ให้เรารู้ทันนะอย่าไปสั่งคนอื่นนะ <c oughs> เราไม่ใช่แค่สั่งตัวเองเราชอบจัดการคนอื่นหรือเปล่า สามีค่ ะ, ะ, ะสามีผู้น่าสงสาร <c oughs> เราใครรู้ทันไหมนะรู้ทันตัวเราเองเดี๋ยวเรามีความสุขเี่ะสามีเราก็มีความสุขอเชิญยกมือเอาข้างหลังก่อนข้างหลังก่อนเบอร์อะไรนะคนสุดท้ายนะั่นแะร้4ยบ่ครับ ป, ป, ปฏิบัติไปรู้สึกว่ามันยากขึ้นเรื่อยๆครับเ อ, อมันต้องง่ายนะยิ่งปฏิบัติต้องยิ่งง่าย คือคือเนื่องจากว่าปกติแล้วตอนแรกๆมันเจอภาษาที่ที่มันเห็นง่ายครับแล้วพอดูไปมันมันก็จะเบาไปครับแล้วแล้วตอนนี้มันมันเบาไปจนจนเหมือนกับว่ามันมันเกือบจะไม่มีครับดูสิมันไม่เบาตลอดนึกออกไหมความตอนเนี้ยมันไม่ใช่เบาเฉยๆมันมีความกังวลใจว่าไม่รู้จะดูยังไงอะไรเงี้ยเนี่ยมีความรู้สึกอย่างนี้แทรกเข้ามาเราก็รู้เอานะครับ งั้นในสภาวะทั้งหลายเนี่ยบางครั้งก็รู้ได้ชัดบางครั้งรู้ไม่ชัดไม่ต้องตกใจครับรู้ชัดก็รู้ว่ารู้ชัดรู้ไม่ชัดก็รู้ว่ารู้อย่างนี้แหละนะสภาวะทั้งหมดมันก็ไม่คงที่การภาวนาแร ก, แรกๆกิเลสมันหยาบมันดูง่ายพอมันละเอียดขึ้ น, นก็ดูยากขึ้นได้จับหลักให้แม่นนะรู้ทุกอย่างอย่างที่มันเป็นครับมันไม่เหมือนกันสักวันหนึ่งดูไปสบายๆอย่าให้เครียดนะ ออ ข, ของผมนี่คือเป็นดูกายหรือว่าของคุณมันดูจิตอยู่แล้วครับคิดมากใช่ไหมครับคิดมากพวงดูจิตนะดูไปครับ <laughs> แล้วพอจิตมันว่างๆก็รู้ว่าว่างๆว่างแล้วพอใจก็รู้ว่างแล้วชักจะสับสนก็รู้ว่างแล้วเป็นยังไงก็รู้เห็นไหมมันไม่ว่างจริงรอ่ะ <c oughs> มันว่างแล้วมันก็มีอย่างอื่นตามมาอีกแล้วก็ค่อยรู้เอานะรู้สึกว่ามันชอบว่างด้วยครับถ้ามันชอบให้รู้ทันไม่งั้นจะไปติดในความว่าง ภาวนาแล้วติดในความว่างเนี่ยไม่สามารถจะพัฒนาตัวเองต่อไปได้ห mm hmm. ลวงปู่มั่นถึงสอนนักนาบอกระวังอย่าให้จิตไปติดเฉยนะไปว่างๆเฉยๆสบายๆเผลอๆเพลิลลลลนๆ อ, อยู่ใช้ไม่ได้หรอกนะออกมาคอยรู้กายรู้ใจบ่อยๆเรเห็นเขาทำงานไปเรื่อยๆอ ย, อย่าพอใจถ้าความพอใจในความว่างเกิดขึ้นก็ให้รู้ทันเอานะจิตก็จะหลุดออกจากความว่างที่เกาะ อ, อยู่ครับอเบอร์ก กับนมัมศการหลวงพ่อค่ะขอโอกาสเจ้าค่ะหนูก็ฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณ9ก้าเดือนแล้วก็ปฏิบัติด้วยการรู้กับเผอเจ้าค่ะสิ่งที่เห็นก็เห็นโทสะว่าตัวเองมีโทสะบ่อยเห็นอัตตาบ้างเจ้าค่ะแต่ช่วงนี้รู้สึกว่าเผอยาวแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงนี่แหละไปหางานทำก็นะงานที่ใช้ร่างกาย เช่นกวาดบ้านถูบ้านอะไรเงี้ยทาไปบ้างงานหางานทํานะแล้วก็คอยดูร่างกายที่เคลื่อนไหวไว้รู้สึกที่กายบ่อยๆนะเรียวแรงมันจะเกิดขึ้นบางคนภาวนาแล้วหมดแรงเพราะอะไรเพราะไม่สม่ําเสมอพอเช่นวันนี้ก็ดูวันนี้ก็ขี้เกียจอะไรเงี้ยบางทีก็ไม่สม่ำเสมอแล้วก็ไม่มีรูปแบบของการปฏิบัติเลยเนี่ยจะทําให้หมดแรงนะ อาศัยการมีรูปแบบของการปฏิบัติเช่นการเดินจงกรมบ้างอะไรบ้างนั่งสมาธิบ้างอาศัยสิ่งเหล่านี้ทําไปรละเล็กน้อยทําทุกวันแต่ว่าทำทำไม่มากหรอกนะทําพออาศัยพอสบายๆแต่ทําไปสม่ําเสมอแล้วแรงมันจะมากขึ้นเองนะตอนนี้แรงมันอ่อนไปใจมันเลยฟุ้งไปเจ้าค่ะออหนูนั่งสมาธิประมาณตอนกลางคืนประมาณ15นาทีเจ้าค่ะแต่ไม่ทราบว่าที่ปฏิบัติเนี่ยเดินเดิน น, นะลองขยับตัวลองเดินดู มีพระองค์หนึ่งมาเรียนที่หลวงพ่อนี้แหละอยู่ทางเชียงใหม่อยู่วัดอุโ ม, มงนัท่านภาวนาด้วยการกวาดวัดไม่ได้ภาวนาด้วยการนั่งสมาธินะท่านกวาดวัดตั้งแต่เช้าเช้าเลยกวาดไปเรื่อยมีเวลาเมื่อไหร่ก็กวาดคนอื่นเขาไม่กวาดท่านก็กวาดของท่านอยู่แกวาดแล้วก็เห็นร่างกายมันทํางานไปเรื่อยใจเป็นคนดูบางทีก็เห็นกายมันกวาดบางทีก็เห็นใจมันแอบไปคิดเนี่ยท่านฝึกของท่านอย่างเงี้ยท่านก็มีแรงได้นะ พยายามรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกรู้สึกเนี้ยมันจะมีแรงเจ้าค่ะอีกคําถามนึงเจ้าค่ะหลวงพ่อแล้วแค่รู้กับเผลอแต่ว่าหนูไม่เห็นไตรลักษณ์เท่าไหร่อ่ะเจ้าค่ะมันจะเกิดรู้ก็ชั่วคราวเผลอก็ชั่วคราวนึกออกไหมนี่แหละคือไตรลักษณ์แต่มันยังไม่สรุปให้ว่าเป็นไตรลักษณ์เท่านั้นเองมันเห็นอยู่แล้วแหละเห็นไหมมันจะเผลอเราก็ห้ามไม่ได้มันจะรู้เราสั่งให้รู้ก็ไม่ได้นี่แหละก็ไตรลักษณ์ละอนัตตาบังคับไม่ได้นะ เห็นไหมมันเปลี่ยนตลอดเวลานี่มันไม่เที่ยงนะมนเห็นอยู่แล้วละ่ะเทียงแต่ว่ายังไม่พอเราก็รู้ไปด้วยวันหนึ่งใจมันแจ่มแจ้งขึ้นมานะที่ปฏิบัติอยู่พอใช้ได้ไมเ <พอ S 2> ้าคะใช้ได้นะแต่แรงมันอ่อนไปนิดนึงพยายามเคลื่อนไหวร่างกายไว้ของคุณอย่าทิ้งกายนะของคุณต้องรู้สึกกายบ่อยๆด้วยเบอร์รนะ้อยสี่สเกกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อคือ ณขณะนี้ยิ้สึกกดๆอยู่เล็กน้อยแต่จากที่สองเดือนที่ผ่านมาหลวงพ่อบอกว่ากลับมาติดเพ่งอีกครั้งช่วงหลังๆเนี่ยหนูรู้สึกว่าหนูรู้ตัวมากขึ้นถ้าเมื่อไหร่ดูลมหายใจก็จะรู้ว่าเริ่มไปเพ่งหรือไปเคิมอยู่กับลมหา ย, ายใจ ไ, ไม่ทราบ ว, ว่าหลุดเพ่งหมดหรือยังคะหลุดแล้วละ่ะรู้สึกไหมใจเราโปร่งโล่งขึ้นมารู้สึกไหมใจเราสว่างสวัยขึ้นดูออกใช่ไหมเนี่ยมันสงบสะอาดสว่างมันรู้มันตื่นมันเบิกบาน แลมันก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเคลื่อนไหวไอย่างรวดเร็วน ะ, ะไปเพ่งอยู่ไม่มีไตรลักษณ์เลยไม่มีอะไรเลยนิ่งๆใช้ไม่ได้ค่ะดีค่ะขออีกคำถามค่ะคือหนูกําลังหาที่ที่จะไปปฏิบัติอยู่หนูเลยไม่ทราบว่าถ้าสถานที่ที่ปฏิบัติแบบมีรูปแบบเวลาแน่นอนเนี่ยถ้าไปแบบนั้นจะกลับมาติดเพ่งไหมหรือไม่คุณโอกาสสูงเลยนะ<อ>แล้วยิ่งถ้าเขาสับอารมณ์ด้วยนะเราจะเสียหายเลยพวกที่มาสับเราไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกค่ะ คือควรไปแบบที่ที่ให้เขาเราปฏิบัติเองอย่างนั้นได้ใช่ไหมคะใช่ดูที่ปลอดภัยหน่อยนะเป็นผู้หญิงอะไม่ไค้ไปอยู่คนเดียวในป่าช้าอะไรเงี้ยหลพ่อไม่กลัวผีหลอกรอกลกลัวคนมันจับไปค่ะนะขอบคุณค่ะที่ฝึก อ, อยู่ใช้ได้นะจิตมันหลุดออกมาละเมือ่อสิบเอ็ดกล่าวนมัสการหลวงพ่อค่ ะ, ะปกติเป็นคนไม่ค่อยเข้าวัดอยู่แล้วคิดว่าตัวเองนี่ อไม่ทำชั่วไม่ทำสิ่งไม่ผิดก็ดีแต่เมื่อสองเดือนที่แล้วอะค่ะใจมันว้าวุ่นแล้วก็อมีความรู้สึกว่าวันไหนที่ตื่นขึ้นมาแล้วมันขุ่นปุ๊บเนี่ยมันจะมีสิ่งไม่ดีเข้ามาตลอดนะคะพอได้ฟังเทปหลวงพ่อก็ดีขึ้นอยากให้สลวงพ่อดูว่าตอนนี้ที่เริ่มทํานี่ถูกหรือเปล่าคะเริ่มถูกแล้วนะจิต<ฆ>ใจก็เริ่มดีขึ้นแล้วะหัด<ฆ>รู้สึกบ่อยๆนะไม่ใช่เพื่อหลวงพ่อนะแต่เพื่อตัวเอง แล้วทีเวลามันเจอเวลาตื่นเช้ามาแล้วมันรู้สึกว่ามันจะมีสิ่งไม่ดีเข้ามาเนี่ยอย่าไปสนใจมันนะไม่ว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยมันเกิดจากกรรมของเราวันนี้กรรมไม่ดีฮะให้ผลจะเจอแต่เรื่องไม่ดีวันนี้กรรมดีให้ผลเจอเรื่องดีๆอย่าไปปฏิเสธมันเลยแต่ว่ากรรมเก่าส่งผลมาให้เราต้องเจอสิ่งไม่ดีเราทํากรรมใหม่ที่ดีคือมีสติไว้เรื่อยๆชีวิตเราจะดีขึ้นเรื่อยๆคือไม่อยากรู้ตัวนี้ค่ะทํำยังไงมันรู้ไปแล้วรู้ไปแล้วห้ามมันไม่ได้ บางคนมันก็รู้นะบางคนรู้มากกว่านั้นอีกรู้ว่าจะตายวันไหนเลยเครียดมากเลยกว่าจะตายเนี่เครียดตลอดชีวิตเลยให้ทําคือให้ ท, ทําทำเมื่อรู้ทำมีสติรู้ปัจจุบันไปนะมันจะรู้อนาคต ร, รู้อะไรก็ช่างมันเรารู้ลงปัจจุบันเห็นใจเรากังวลขึ้นมาอย่างอพอมันรู้ว่าวันนี้จะต้องมีอะไรไม่ดีแล้วใจเราไม่สบายขึ้นมาเห็นใจที่กังวลเลยขนาดนฟังเทปหลวงพ่อยังไม่อยู่อะค่ะเออไม่ได้ฟังให้อยู่ แต่ฟังให้รู้ทันตัวเองไม่ได้ฝึกให้ใจอยู่นะแต่ฝึกให้รู้ทันตัวเองมันไม่มีสมาธิอะค่ะหลวงพ่อไม่มีสมาธิรู้ว่าจิตฟุ้งซ่านอยู่ให้รู้ตัวเองอย่างที่มันเป็นไปเรื่อยๆจิตไม่มีสมาธิก็รู้ว่ามันฟุ้งซ่านอยู่ก็แค่นั้นเองดูซิมันฟุ้งได้ตลอดวันไหมมันไม่ตลอดหรอกมันไม่เที่ยงค่ะขอบคุณค่ะไปฟังอีกนะ ฟังจับหลักให้แม่นแ่นแล้วการภาวนาจะสบายแล้วจะมีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆอค่ะเบอร์เก้าสอบห้าอยู่ข้างหน้าข้างหน้าครับกราบนสักราบน้ำมัส ก, การครับหลวงพ่อคือผมจเจริญสติในแต่ละวันไปเรื่อยๆครับผม แล้วก็เสริมด้วยการนั่งสมาธิในบางวันออหลังๆเนี่ยจะรู้เลยว่าในการที่เราเข้าไปยึดติดอะไรเนี่ยมันก็จะเกิดทุกข์ซึ่งล่าสุดก็เผลอด้วยความยึดติดเนี่ยเผลอไปทําให้ผู้ที่ผมเคารพทําให้ดีให้กับคนที่ผมเคารพแล้วแล้วตัวเองก็กลับไปคิดมากเองอก็ตอนนี้ยังต้องฝึกให้มากกว่านี้อีก เช่นเราไปทําสิ่งที่ไม่ดีมาแล้วจิตเรากลับมาบ้านมาเศ้าหมองเนี่ยให้เรามีสติรู้ลงปัจจุบันเลย้ที่ทําไม่ดีนั้นผ่านไปแล้วแต่ปัจจุบันกําลังเศร้ามองฝึกนะฝึกที่จะรู้ความรู้สึกของตัวเองที่เป็นปัจจุบันไปเรื่อยๆนะอย่าไปหลงอยู่ในอารมณ์ที่เป็นอดีตแล้วออตอนนี้ผมเจริญสติถูกต้องหรือยังครับผมดีขึ้นแล้วนะใจเริ่มถอยออกมาไม่ได้ไปเพ่งนิ่งๆอยู่ครับผม การทำพิธีการหลวงพ่อค่ะขอโอกาสส่งกันบ้านสามเดือนที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าจิตสว่างขึ้นแต่วันนั้นหมองไม่เห็นก็เลยกลับไปดูพอไปดูแล้วก็รู้สึกว่ามันเบาขึ้นแล้วก็ไปดูความคิดแต่พอไปดูแล้วมันก็มีเหมือนสติขึ้นมาแต่มันเสี้ยวเดียวมันเล็กมากเลยนั่นแหละมันเล็กมากเลยมันใช่ปะค่ะใช่ของจริงนะมันอยู่ในปัจจุบันปัจจุบันไม่ใช่หนึ่งนาทีใช่ไหมคำว่าปัจจุบัน ไม่ใช่หนึ่งวินาทีด้วยหนึ่งวินาทีก็ยาวไปมันน้อยกันปัจจุบันนั้ น, น, นมันชั่วแวบต่อหน้าเท่านั้นแหละเพราะฉั้นเวลาสติเกิดก็เกิดทีละแวบเดียวเดี๋ยวก็หลงใหม่หลงใหม่ก็รู้ว อ, อีก<ช>พอรู้อีกก็เกิดได้อีกแว บ, บหนึ่งต่อไปเรารู้ได้เร็วนะพอไหลบับรู้สึกว่ารู้สึกกลายเป็นว่ามีสติทั้งวันเลยต่อไปแล้วก็สองสามวันที่แล้วถูกเรื่องงานนะคะอืก็เลยความทุกข์มันมาถึงเราเมื่อไหร่ก็ได้นะ ในโลกนี้มันต้องตั้งหลักไว้อย่างนะั้นในโลกนี้เราเป็นแค่อาศัยมันชั่วคราวเท่านั้นแหละเราอาศัยเพื่อจะเรียนรู้ความจริงของชีวิตชีวิตนี้สมหวังบ้างชีวิตนี้ผิดหวังบ้างเราเรียนไปเรื่อยจนกระทั่งวันหนึ่งใจเราเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างความทุกข์ผ่านมาเราก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาความสุขผ่านมาเราก็เห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาใจเราเป็นกลางใจเร า, าก็จะทุกน้อย ัอใจเราไม่ทุกทุรนทุรายนะมันจะค่อยเกิดสติปัญญาค่อยๆไปแก้ปัญหาชีวิตเอานะถ้าเราถูกความทุกข์ครอบงาเนี่ยเราจะแก้ปัญหาชีวิตไม่ตกก็ไปฟัง C ีดีค่ะแล้วก็พยายามดูแล้วก็พอดูสักพักทุกมันก็หายไปออแต่มั น, มนก็กลับมา<ป>อะไรเรามันคิดเดี๋ยวมันคิดใหม่มันก็ทุกใหม่ใช่นี่เราห้ามความคิดไม่ได้เพราะจิตมีหน้าที่คิดจิตเกาคิดไปเรื่อยๆนั้นเราคิดเรามีชีวิตยอยู่กับปัจจุบันไว้ ที่เรามีทุกข์มากนะเพราะเราไปคิดถึงอดีตมั่งคิดถึงสิ่งที่เราสูญเสียไปอย่างเงี้ยหรือเราไปกังวลถึงอนาคตซึ่งมันยังมาไม่ถึงเราถ้าเราพยายามมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันนะเอาแบบพระเยซูสนะิพระเยซู บ, บอกว่าชีวิตสําคัญกว่าอาหารร่างกายสําคัญกว่าเสื้อผ้านักปราดก็มองดีนะตอนนี้เรายังมีชีวิตอยู่เรายังมีสิ่งที่สําคัญที่สุดนะในโลกนี้ถึงสูญเสียอะไรเรายังอยู่ ยังสร้างขึ้นมาใหม่ยังทำขึ้นมาใหม่ได้ไม่ได้เสียตลอดการแล้วไม่มีใครได้ตลอดการหรอกถ้าเข้าใจชีวิตตรงนี้เราจะไม่ทุกข์มากข้างหน้าข้างหน้าสิกนี้คอ่ะยังไม่จบเหรอ้กว่าดไปต้องไปดูอะไรเพิ่มเติมไหมคะอะไรนะต้องมาดูอะไรเพิ่มเติมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องตอนนี้พาวนาใช้ได้แล้วขอบคุณค่ะเวลาที่มีความทุกข์เนี่ยนะเป็นเวลาที่ภาวนาได้กระปรี้กระเป่าที่สุดเลย คนภาวนาเป็นนะคนภาวนาไม่เป็นเวลาที่มีความทุกข์ก็ไม่ภาวนาแต่คนไหนเวลาเวล า, ม, วลามีความทุกข์ภาวนาเป็นนะจะขยันดูใจจ ะ, จะรู้จะตื่นเพราะว่ามันจะต้องดิ้นรนต่อสู้กับความทุกขนะ์อ่ะเพราะ ง, งั้นพอความทุกข์นี้ผ่านไปเราจะพบว่าเรามีกําไรขึ้นมาแนละ้วจิตวิญญาณเราเติบโต ข, ขึ้นขอบคุณค่ะคนไหนมีแต่ความสุขทั้งชาตินะโอ้พูดภาษาจีนเนะ้อบอกว่าสวยที่สุดเลย <c oughs> มันจะหลงโลกตายเลยอาวซิกนี้ข้างหน้าซิกนีน้เบอร์สามสิบสองกราบนมันสการหลวงพ่อค่ะคือจะขออนุญาตถามให้คุณแม่นะคะพอดีคุณแม่ทำอนาปนาสติมาสามสิปีแล้วะคะ่ะแล้วก็ามาเริหลวงพ่อหลวงพ่อทามายี่สิบสองปีค่ะเราก็มาเริ่มฝึกดูจิต ตามแนวลหลวงพ่อประมาณ 6- 7 <ừ. S 1> เดือนนะคะ <ừ. S 1> ก็เลยอยากจะทราบว่าไม่ทราบคุณแม่ยังติดเพ่งอยู่หรือเปล่าอ่ะค่ะนิดหน่อยยังมีนิดหน่อยนะเพราะฉะนั้นเวลาเราทําอานาปนสติเราปรับนิดหนึ่งแต่เดิมเราทําอานาปนสติแล้วจิตเราไหลไปอยู่ที่ลมมันเป็นสงบอยู่ที่ลมนะเราเปลี่ยนใหม่เราทําอารนาปนสติแล้วเราเห็นร่างกายหายใจไปเรื่อยเราลืมตานะนั่งดูร่างกายนิหายใจไปใจเราเป็นแค่คนดู เราไปไม่ว่าทําอะไรนะก็จะมีใจเป็นคนดูเรื่อยๆความสุขความทุกข์เกิดก็มีใจเป็นคนดูโลภโกรธหลงเกิดก็มีใจเป็นคนดูฝึกไปเรื่อยนะมันจะมีใจเป็นคนดูเรื่อยๆฝึกอย่างนี้ได้ไหมฝึกไปนะร่างกายก็ของถูกดูลืมตาด้วยใช่ไหมคะแล้วลืมตาไว้หลับตาเดี๋ยวมันเคลิ้มเข้าข้างในเหมือนที่มันเคยชินพยายามลืมตาไว้นะแล้วก็เดินแลได้เดินอยู่ก็ให้เห็นร่างกายมันหายใจไปอย่างเงี้ยยืนเดินนั่งนอนทําในทุกทุกอิริยาบถอย่านั่งนานนั่งแล้วซึม กราบขอพระคุณค่ะหลวงพ่อแล้วลูกอ่ะคือช่วงสี่ห้าเดือนหลังรู้สึกจิตไม่ตั้งมั่นนะคะแล้วก็ช่วงนี้จะฟุ้งซ่านเยอะค่ ะ, คะก็พยายามดูอยู่ค่ะน่าไปหัดเดินจงกรมหัดอะไรบ้างน ะ, ะรู้สึกที่ร่างกายบ่อยๆด้ว ย, วยขอบพระคุณค่ะหลวงพ่ อ, อเบอร์เกส กราบนมัส ก, การหลวงพ่อค่ะอยากจะถามหลวงพ่อว่าที่ดิฉันปฏิบัติมารู้สึกตัวแบบนี้ถูกหรือเปล่าคะมันแข็งไปนิดนึงดูให้สบายๆดูไปอย่างสบายๆตอนนี้กดเอาไว้ให้ดูออกไหมค่ะนะอย่าไปกดนะค่ะรู้สึกค่ะเออนะให้แค่รู้สึกอะไรเกิดขึ้นก็รู้สึกคอยรู้ความรู้สึกของเราไปเรื่อยอย่างตอนนี้จิตไปคิดแล้วทราบไหมค่ะค่ะนะก็แค่รู้ทันนะอย่าไปประคองของโยมเหลือตัวหนึ่งนิ่งอยู่ต้องไม่เหลือกระทั่งตัวที่นิ่งค้างๆอยู่นะปล่อยให้หมดเลย ให้มันเคลื่อนไหวได้ทุกตัวเลยนต่ <Okay. S 1> อตอนนี้มันเป็นตัวชิดแล้วรู้สึกไหม <Okay. S 1> ตัวรู้ดับไปเกิดตัวชิดขึ้ น, น <Okay. S 1> ให้คอยรู้นะตัวรู้ก็เกิดดับไปเรื่อยๆไปดูเอาร่างกายก็ของถูกดูอะไรๆก็ของถูกดูตัวผู้ดูเองก็เกิดดับเบอร์ร้อยสิบกาลมาสก้าหลวงพ่อครับคราวที่แล้วมาส่งกันบ้านหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่า สมาธิ mat, มันนำหน้าสติไปครับไม่ทราบตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้ก็ด<ะ>ีขึ้นแล้วรู้สึกไหมมันไม่เคลิม้มมันไม่มัวมัวไ ว, วพยายามรู้สึกตัวให้กับพี่กรนะเปล่าไปนะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆเห็นไหมร่างกายพยักหน้าเมื่อกี้ตอนที่พยักหน้าใจลอยเนื้อออกไหมเนือ้อรู้รู้สึกกายรู้สึกใจนะรู้สึกเล่นๆดูไปเรื่อยแอบไปคิดแล้วทราบไหมพยักหน้าอีกแล้วรู้ไหม รู้กายได้ชัดกว่าดูจิตเพราะฉะนั้นเอากายเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่นะ<บ>ยืนเดินนั่งนอนอไม่ใช่จงใจขยับไปเรื่ อ, อ, อยๆนี่ต้องขยับเดี๋ยวก็เพ่งไปอีกเ<อ>นี่ยเห็นไหมทำปากจูๆละอ้ออย่าง <laughs> นี้เนี่ยละหัวละแล้วเห็นไหมแล้วก็เห็นอย่างงี้ยดูสบายๆเห็นมันทํางานไปตามธรรมชาติเห็นไหมจิตสว่างขึ้นมาแล้วนึกออกไหมเพราะฉนั้นรู้สึกที่ร่างกายนะแต่ไม่ได้จงใจเบอร์เกจอยู่ข้างหน้า หลวงพ่อคะตอนนี้ถ้าเกิดมองตัวเองก็จะเห็นจิตที่มันมีแต่ความสุขแล้วก็โปร่งล่งสบายอย่าง อ, อ, อื่นมองไม่เห็นนะคะรบกวนหลว ง, งพ่อชอบใจขึ้นมาก็ให้รู้ทันน ะ, ะมันเป็นกลางก็รู้ทันให้รู้ทันจิตเท่าปีกทิงความสุขเนี่ยไม่ใช่จิตนะความสุขเป็นสิ่งที่จิตไม่รู้เข้าไปรู้ความสุขแล้วจิตพอใจให้รู้ว่าพอใจนะตอนนี้คือหนูไม่รู้ว่าพอใจหรอไม่รู้จิตมันไหลไปแปะอยู่ในความสุขโลง่งว่างๆสบายนะจิตมันไปติดอยู่ จิไม่ออกนอกนะไปเกาะความสุขอยู่เบอร์เก้าสองมาสการหลวงพ่อครับคือมาครั้งแรกครับก็อยากกับเรียนถามหลวงพ่อนะครับว่าที่หลวงพ่อบอกว่าจิตรู้ตัวว่าเพ่งหรือเผลอเนี่ยเคือผมไม่ทราบว่ามันรู้ได้ไงว่าติดรู้ไม่ใช่ว่าสมองเราคิดเองแล้ว ร, รู้จากสัญญาที่หลวงพออ่อเป็นคนอบอกไม่ต้องไปดูเรื่องนั้นนะ ให้คอยรู้ความรู้สึกของตัวเองบ่อยๆกันฝึกตัวนี้นะแต่ละคนฝึกไม่เหมือนกันไม่ต้องไปกังวลหรอกรู้ความรู้สึกของตัวเองเป็นไหมอย่างตอนนี้มันหงุดหงิดตอนนี้มันโกรธตอนนี้มันสบายใจอะไรเงี้ยคอยรู้ความรู้สึกของตัวเองที่กําลังเป็นอยู่รู้สึกอย่างนี้บ่อยๆนะเดี๋ยวจะเข้าใจที่หลวงพ่อบอกแต่ละคนเดินไม่เหมือนกันไม่ต้องรู้เหมือนคนอื่นแล้วเวลาฟังหลวงพ่อเทศ ไม่ว่าจะทางซีดีจะรู้ได้ไงว่าจิตเราอยู่กับตัวหรือจิตเราไปอยู่ที่หลวงพอ่อกลังเทสใรู้ว่ากำลังสงสัยอยู่ใหใ้รู้ <embarrassed. S 2> ทันความรู้สึกที่เป็นปัจจุบันงั้นฟังซีดีแล้วอจิตเราไปอยู่ที่ไหนนะรู้ว่ากำลังสงสัยนะที่เราฝึกกันแทบเป็นแทบตายเนี่ยเพื่อจะให้รู้ทันตัวเองเพราะฉะนั้นฟะังซีดีหลวงพ่อแล้ว เ, เรารู้ตัวถูกหรือ ย, ยังนะรู้ว่ากำลังสงสัยนี่ใช้ได้ลนะเมื่อเราไม่ได้ฝึกเอาดีเอาวิเศษอะไรเราฝึกให้รู้ทันตัวเอง ถึงวันหนึ่งจะเห็นว่าตัวเราไม่มีหรอกร้อยสาสิบกานรัศกานค่ะหนูมาหลายครั้งแล้วก็ตามหลานสาวมาเป็นกัลยาณมิตระะแล้วก็ไม่เคยส่งการบ้านเลยแต่ก็ได้ฟังซีดีแล้วก็ลองปฏิบัติดูก็ได้การสวดมนต์มาเป็นวิหารธรร ม, มค่ะก็เห็นว่าบางครั้งปากที่เราพูดตรวจมนต์ไปแล้วก็เอ๊ะแวบ มันไม่ใช่มันก็พูดไปเองอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยคและที่ทำมาทั้งหมดเป็นพอได้ไหมคะพอได้สินะไปทำอีกนะแต่ตอนนี้อย่าไปเพ่งไว้รู้สึกไหมตื่เพ่งนี่ฝึกใช้ได้นะไปทำอีกค่ะขอบคุณค่ะเบอร์4ี่บเกเห็นไหมไม่ดื้อแล้วก็ดีเองแหละคนนี้อายุเท่าไหร่สิบสองค่ะเด็กๆนี่ชอบพอนางง่ายอ่ะข้างในตื่นเต้น รู้ไหม oh, uh huh. เริ่มกดไปแล้วรู้ไหมอย่างตอนนี้ไปกดจิตให้นิ่งๆตอนนี้ ง, นน ง, งงแล้วรู้ไหมเน mm hmm. ี่ยรู้ความรู้สึกของเราเป็นปัจจุบันไปเรื่อยๆนะอ้าคุยไป <c oughs> อยากส่งการบ้านหลวงพ่อคะ่ะนี่ไงหลวงพ่อตรวจการบ้านให้แล้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> ให้คอยรู้ความรู้สึกของเราไปเรื่อยๆนะ มันเขินขึ้นมาก็รู้ว่าเขินนะมันเป็นยังไงก็คอยรู้ปไปเลยรู้ใจตัวเองบ่อยๆเดี๋ยวดีเองที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วนะจิตเริ่มตื่นแล้วเบอร์89นมัสการหลวงพ่อค่ะหลังจากที่ฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณหนึ่งปีอะค่ะแล้วก็ ไปฝึกโดยการสวดมนต์แล้วก็เห็นใจที่ไหลไปเหมือนอที่หลวงพ่อสอนนะคะหลังจากนั้นไปทำงานก็เริ่มดูแล้วก็เริ่ ม, มรู้ว่าตัวเองหุดหงิดมโมโหง่ายแล้วมันก็บางครั้งมันก็รู้สึกไม่พอใจอต่อไปอีกหลังจากที่จะรู้แต่ระยะหลังมานี่ก็เริ่มรู้สึกว่ามันเฉยๆกับความที่เราไม่พอใจมากขึ้นนะคะที่ภาวนาถูกแล้วนะใจมันก็รู้ตัวขึ้นมา ตื่นขึ้นมาแล้วก็คอยรู้สึกไปหนูต้องทําอะไรเพิ่มมากขึ้นฝึกไปอย่างเนี้ยขอบคุณลวงพ่อางานที่บ้านทําไปนะะเคลื่อนไหวร่างกายบ้างแล้วก็เห็นร่างกายมันทางานบ้างจะเพิ่มแรงทําให้เรามีแรงมากขึ้นค่ะใช้ได้เลยนะที่ขุดขุดฝึกอยู่ใช้ได้แล้วเห็นไหมความทุกข์มันลดมัลดลงแล้วเห็นค่ะชีวิตเปลี่ยนแล้วรู้สึกไหมรู้สึกค่ะเธรรมะของพระพุทธเจ้าอัศจรรย์นะเปลี่ยนชีวิตเราได้จริงจริงค่ะ อเบอร์เปเาเข้าใจแล้วเราจะรักพระพุทธเจ้าที่สุดเลยนั่นเปลี่ยนชีวิตเราแต่เดิมน้าเหมือนตัวอะไรอยู่ใต้เหวเลยขึ้นมาสู่ความสว่างค่ะน้มาสการหลวงพ่อค่ะหนูมาส่งกันบ้านรอบสองเดือนนะคะก็เดือนที่แล้วค่ะก็จะมีสภาวะอยู่สามอย่างเด่นๆนะคะมีอยู่วันหนึ่งนอนอยู่ค่ะแล้วก็ตัวก็หายไปค่ะเหลือแต่จิตโดดเด่นขึ้นมาค่ะ แล้วก็พออีกอาทิตย์หนึ่งก็ฟังซีดีหลวงพ่ออยู่อะค่ะแล้วก็มันเกิดแบบเป็นช่องว่างอะค่ะแต่คราวนี้ตั้งนานกว่าปกติค่ะแล้วก็เป็นยังไงช่องว่างยังไงก็มันมีส่วนว่หนูฟังหลวงพ่ออยู่เนี่ยค่ะมีเสียงหลวงพ่อแล้วก็มีช่องว่างเล็กๆออแล้วค่อยชัดใหม่เ่ยค่ะออแต่ว่าเห็นหมจิตที่เกิดที่หูเนี่ยเกิดแล้วดับขณาดที่มันดับลงไปเนี่ยฟังไม่ได้ยินนะค่ะ อีกครั้งหนึ่งจำไม่ได้แล้วค่ะไม่เป็นไร <c oughs> คือการภาวนาเนี่ยนะถ้าเราเริ่มเห็นมันขาดช่วงเนี้ยเรียกว่าสันติคือความสืบเนื่องเนี่ยขาดลงไปถ้าสันติขาดเนี่ยมันขึ้นวิปัสสนาแท้ๆแล้วแต่ไปนี้เราก็ทำของเราไปเรื่อยๆนะคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจฟังซีดีไปซีดีหลวงพ่ออัศจ ร, รนะกล้าท้าเลยหนูฟังทุกวันเลยค่ะฟังตลอดทั้งคืนเลยค่ะ แล้วก่นอนเลยเหรอก็บางทีหลังๆนี่หลังๆนี่ไม่ได้ฟังค่ะปกติถ้าฟังแล้วสติเขาจะตื่นฟังตลอดค่ะแต่หลังๆนี้มีหลับบ้างค่ะหลวงพ่อถึงเวลาหลับต้องหลับนะค่ะแล้วก็มีอันนึงอุกอ้อแล้วค่ะก็คือมีอยู่วันหนึ่งหนูหนูเจ้านายพูดอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะแล้วหนูก็อยู่นิ่งๆเสร็จแล้วหนูก็เห็นความโกรธมันขึ้นมาค่ะดีแล้วแป๊บหนึ่งเขาก็ดับหายไปเลยค่ะหนูก็แบบ ดูด้วยความแบบงงๆอ๋อดับไปแล้วนะะี่ค่ะนี่คือดับต่อหน้าต่อตานั่นแหละภาวนาดีแต่ว่าถ้ามันขึ้นมาแล้วมันไม่ดับก็อย่าไปว่ามันน ะ, ะเราไม่ได้ฝึกเพื่อจะบังคับเขาให้ได้แต่เราฝึกให้เห็นว่ามันบังคับไม่ได้เห็นไหมความโกรธขึ้นมาเองดับเองเราฝึกเพื่อให้เห็นว่าเราบังคับไม่ได้เาอาเสื้อแดงขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะอ้าวว่าไปมีอะไร <laughs> เมื่อ ก, กี้ที่หลวงพ่อพูดถึงว่าคนที่มีความทุกข์ค่ะแล้วจะภาวนาดีค่ะ<ม>ทีนี้อันนั้นมันทุกทางใจนะคะที่ถามหลวงพ่อว่าอย่างคนป่วยค่ะที่เขามีเวทนาด้วยอ<ม>่ะจะทำยังไงคือต้องฝึกให้เป็นก่อนนะคนที่ร่างกายไม่สบายแต่ว่าเคยภาวนามาแล้วนี่ก็ดีเหมือนกันเป็นจังหวะที่ดีนะอย่างมีพระองค์นึงมาเรียนที่นี่อาจารย์วันชัยภาวนาก็พอๆ ก, กับพวกเราเนี่ไม่ได้ว่าเก่งกว่าพวกเราหรอกนะแต่ตอนท่านจะตายหลวงพ่อก็ไปเยี่ยมให้กําลังใจท่าน ท่านนอนแ eng แมงอยู่ล้วหลวงพ่อก็ไปบอกท่านอาจารย์รอบนี้ตายแน่นี่ให้กําลังใจนะรอบ น, นี้อาจารย์ตายแน่เลยไม่รอดแล้วล่ะนะนะอาจารย์นอนดูมันตายไปเลยต้องเคยฝึกมาบ้างนะแล้วก็ดูร่างกายมันป่วยดูร่างกายมันเจ็บดูร่างกายมันตายใจเราเป็นแค่คนดูเท่านั้นเองไม่ใช่เราแก่เราเจ็บเราตายเองนะแต่ร่างกายมันเป็นไม่ใช่เรานี่ฝึกดูไปอย่างนี้แต่ต้องเคยฝึกก่อนถ้าไม่เคยฝึกทําไม่ได้หรอก มันก็จะเหมือนคนทั่วๆไปสมัยก่อนเวลาใครจะตายเขาบอกท่องไว้นะพระละหังพระละหังมันท่องไม่ได้หรอกท่องไปอย่างนั้นเองนะแต่ใจไปไม่ได้เพราะไม่เคยฝึกเพราะงะั้นการปฏิบัตินี่เราต้องฝึกตั้งแต่ยังมีเรี่ยวมีแรงอยู่ไปไงไปห่วงใครเขาล่ะเปล่าค่ะเขาพอดีก็นึกถึงตัวเองอะค่ะ อย่าไปตคิดมากนะพยายามเรียนรู้ปัจจุบันไปเรื่อยๆนะเวลาที่จะตายจริงๆเนี่ยจิตมันจะรวมพลังต่อสู้เข้มแข็งขึ้นมาเองอ่ะอย่าไปกังวลคนที่เคยฝึกภาวนามาแล้วนัพอจิตมันรู้ตัวว่าคราวนี้ตายแน่นะไม่มีทางรอดแล้วนะมันจะภาวนาของมันเข้มแข็งเลยจิตจิตมันขยันของมันเองเหรอคะใช่มันจะสู้ตายแล้วเพราะว่ามันจะตายอยู่แล้ว หลวงพ่อถึงไปบอกอาจารย์บันชัยอาจารย์คราวนี้ตายแน่ลนะถ้าไปอาจารย์ใจเย็นๆไ่้น่าอาจจะรอดท่านจะเริ่มมีความหวังจะรอดแล้วไม่ภาวนาลนะอันนี้ลุ้นใหญ่เมื่อไหร่จะรอดเมื่อไหร่จะรอดเนี่ยทุรนทุไ ล, ลเลยไปอาบายเลยอ่าให้คนอื่นเขาบ้างอ่ส่งมาพวกขี้แยข้างหน้าเนี่ยมาส่งมาอีกมามาอ่าว่าไป หนูดูไม่ออกว่าหนูเสียใจอ้าว่าไปมีอะไร อ, อ๋อจะถามหลวงพ่อว่าช่วงนี้ย่อหย่อนไปหรือเปล่าในการปฏิบัติเราก็ดูเองนลยนะมันก็หย่อนจริงๆนั่นแหละเราก็รู้อยู่แล้วเนี่ยเราก็ไปทำเอาเห็นไมไม่มีปัญหาเราไปดูเป็นอยู่เราเมื่อกี้หลวงพ่อพูดว่าย่อหย่อนจริงๆใช่ไหมคะอาส่งมั้งหน้าเสื้อเหลืองเสื้อเหลือง กรทำพการพระอาจารย์ค่ะเขากาศในความกรุณาของพระอาจารย์คือสองเดือนก่อนหน้านี้เริ่มเริ่มเห็นความเป็นตัวตนของตัวเองมากขึ้นได้บ่อยขึ้นว่าบางทีในที่ทำงา น, นทีแบบจะจ ะ, จะรู้คิดว่าเออตัวเองเป็นผู้ปฏิบัติ<ม>ในในกลุ่มคนที่เขาไม่มปฏิบัติเขาไม่ได้รู้ธรรมะ<ม>แต่ก็จะรู้ขึ้นมาดีว่า เ, เร า, เ, <อ>าเห็นตัวตนขึ้นมาค่ะ<ม> ขอน่าดีนะไม่ได้มีปัญหาหลวงพ่อหึงบอกไม่ต้องส่งหรอก <c oughs> แต่มีปัญหานิดนึงค่ะคือก่อนหน้านั้นที่แต่มาเรียนรู้การดูจิตของพระอาจารย์นะคะก็เคยเข้าปฏิบัติแบบคอสมธาธิที่เข้าเตตวั น, นะะคือนั่งสมาธิก็จะจ ะ, จะนิ่งจะมีสมาธิจะสงบแต่พอมาหาัดดูจิตเนี่ยมาพอมานั่งสมาธิในรูปแบบเนี่ยค่ะบางทีก็ไปดูลมหาใจสงบก็สงบแวบๆไม่อยู่นานแล้เพราะจิตมันจะเดินปัญญา จิตมันรู้ว่าไปสงบนานๆสี่เวลาแต่พอมันมบ่อยๆเข้าเดีไปดูลมหายใจเดี๋ยวไปดูความคิด ด, ดูจิตที่มันฟุ้งซ่านไปมันสลับไปสลับมาจนรู้สึกว่ามันฟุ้งซ่านนะคะออถ้ามันฟุ้งนะเราก็จงใจดูท้องของเราไปดูเล่นๆดูแต่ท้องไม่ต้องสนใจอย่างอื่นดูแล้วไม่ต้องกังว ล, ลว่าเมื่อไหรจะสงบเคล็ดลับของการทําความสงบก็คือต้องมีความสุขถ้าเมื่อไร่จิตได้อยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขนะจิตก็จะไม่หนีไปในอารมณ์ออื่น ปกติจิตที่ฟนะุ้งซ่านเนี่ยเพราะจับอารมณ์โน้นทีจับอารมณ์นี้ทีเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยๆเปลี่ยนอย่างรวดเร็วจนดูไม่ทันเรียกว่าฟุ้งซ่านทําไงจิตจะไม่หนีไปที่โน้นที่นี่เราก็หาอารมณ์ที่มีความสุขมาให้มันอยู่เหมือนอย่างเด็กเนะ่ยเด็กมันโซนไปโซนมานะเราก็ไปเรียกมันมากินไอติมเงี้ยมันก็ไม่ไปโซนที่อื่นมันก็มาอยู่กับไอติมนั้นการทําสมถะเหมือนกันเราต้องให้จิตไปอยู่ในอารมณ์ที่มันมีความสุขมันจะได้ไม่หนีไปที่อื่น น, นี่เป็นเคล็ดลับนะ ถ้างั้นขอเป็นแบบไม่ไม่นั่งสมาธิแต่แบบฟังเป็นซีดีพระอาจารย์แทนก็ได้นะก็ได้บ้างไดนะ้แต่ได้ไม่ตลอดนะถึงจนหนึ่งก็ควรทำบ้างในรูปแบบอะ่ะจิตจะได้มีแรงมากๆร้ายหนึ่งอยู่ที่ไหนร้ายหนึ่งดีใจก็รู้ว่าดีใจนะเมเบอร้ายหนึ่งเดี๋ยวถูกหลัดสิทธิ์เลยดีใจแล้วไม่เห็นกล่าวขอบคุณค่ะ ลงพ่อครับบางทีหนูพบภัสสะที่มันแรงๆอะค่ะแล้วจิตมันก็จะคอยไปก้าวไก่ไปบังคับ ม, มันนะ่ะหนูว่าจะใช้วิธีล้มกระดาษแล้วหันไปหาภัสสะอื่นที่มันชอบเช่นฟังซีดีหรือดูรูปปลาให้ใจมาสงบ<ช>ได้ใช้ช่วงครั้งช่วงคราวได้นะใช้ทุกครั้งไม่ได้จะกลายเป็นขี้แพ้วิ่งหนีตลอดสู้ไม่ไหวจริงๆถึงจะใช้ถ้ายังตามรู้กายรู้ใจได้ให้รู้ไปถ้ามันไม่ไหวจริงๆแล้วถึงจะหนี ถ้า น, นี้ตลอดต้องแพ้ตลอดนะเอาเบอร์สิห้าคุณพิธการหลวงพ่อเจ้าค่ะ เ, เด่นมาหลายครั้งแล้วแล้วก็บางครั้งเนี่ยหลวงพ่อก็บอกว่ายังเพ่งอยู่ทีนี้เด่นอยากทราบว่าสภาวะทำตอนนี้ทําถูกหรื อ, อยังเจ้าค่ะยมรู้สึกว่ามันเบาลงไหม ย, ยังไม่รู้สึกเจ้าค่ะถ้าเราเมื่อไหร่เราเพ่งนะมันจะหนักหนัก จะแน่นๆนจะนิ่งนิ่งจะแข็งแข็งก็ไม่รู้สึกเจ้าค <นะ S 2> ่ะไม่รู้สึกเลยเหรอไม่เลยเจ้าค่ะโยมสภาวะจิตใจของโยมเหมือนขนาดนี้ตลอดวันหรือเปล่าประมาณนี้เจ้าค่ะอ๋อมันติดติดสมถะโยมนะมันนิ่งอย่างตอนนี้จิตแอบไปคิดแล้วยมนึกออกไหม้ค่ะโยมไหลไปคิดเราก็รู้ว่าไหลโยมออกมายุ่งกับโลกมากมากหน่อยนะ เอามากระทบอารมณ์มากๆานะพอกระทบหนึ่งเราไปคุยคนนี้นะชักมโมโหขึ้นมานะแลเราก็รู้ว่ามโมโหแต่เราอย่าไปประคองใจให้นิ่งไว้ตอนนี้มันมันประคองใจให้นิ่งจนกระทั่งมันเคยชินอะ่นะมันสามารถอยู่ในสภาวะอันนี้ได้เรื่อยๆโ ย, <ม> ย, ยมไม่ทราบเลยเจ้าคะว่าประคองกันโยมเคยฝึกกรรมาฐานมาตั้งแต่เมื่อไหไร่ล่ะนานแล้วเจ้าคะนานนะมันชินเลยมันชินอยู่ตรงนี้งั้นโยมพยายามกระทบอารมณ์บ่อยๆนะโยมลืมคำว่าปฏิบัติไป กระทบอารมณ์บ่อยๆแล้วใจเราก็เพิ่มขึ้นกับเพิ่มลงเราคอยรู้เล่นๆไปได้นะ่อยดูเล่นๆไม่ต้องดีก็ได้นะไม่ต้องดีก็ได้แล้วยังติดอยู่เยอะไหมเจ้าค่ะไม่ไม่มากหรอกเจาคะของโยมมันติดเนียนๆเลยดูยากเลยถ้าติดแบบโหดร้ายแข็งกระด้างก็ดูง่ายเ <c oughs> นี่ยตรงเนี้คลายออกจากตะกี้แล้วรู้สึกไหมเนี่ยต้องคลายอย่างนี้นะต้องผ่อนคลายเนี่ยโยมเริ่มเก็บรวบเข้ามาแล้วสึกไหมเมื่อกี้มันผ่อนคลายออกไป ถ้าเราไปดึงเก็บเข้ามาเก็บเหมือนเก็บมือเก็บเท้าไว้นิ่งๆเย่างีง้แล้วดูเรียบร้อยมากเลยนะเราปล่อยให้มันไปสนบ้างพื้นฐานเดิมของโยมก็ส้นนะโยมสนสนไว้เชื่อหลวงพ่อเถอะลืมไปแล้วจ้ะค่ะเนี่ยเนี่ยเริ่มกลับมาเป็นตัวจริงแล้วยอมรู้สึกไหมมันสบายกว่ากันนะไ ม, ไม่รู้สึกจ้ะยังไม่รู้สึกอีกนะ <laughs> พยายามสนไว้นะไม่หาอะไรเล่นก็รนะ้อยสามสาม ถ้าฝึกสมถานานสิบยี่สิบสิปีแนละ้วมันจะเนียนไปเลยรักากครับหลวงพ่อครับก็ตามรู้ตามดูมาได้ระยะหนึ่งแล้วก็มาสักประมาณเดือนเศษที่แล้วเนี่ยก็ปกติก็จะเดินออกกําลังแล้วก็คล้ายๆเอาอเป็นวิหารละรมก็ดูกายไปแล้วก็พอมาสักเดือนที่แล้วก็รู้สึกว่าเดินเดินช็อปปิ้งอยู่เนี่ยฮะอืแล้วก็มันก็รู้สึกว่ากายเนี่ย มันเหมือนถูกชักใหญ่อยู่เหมือนหุ่นยนต์ เ, <อ>เราก็รู้ตัวก็เลยตามรู้ไปพอตามรู้เสร็จกายมันหายไปแวบบเหลือแต่จิตคิดอยู่เอแล้วพอถัดจากนั้นมาสักอาทิตย์หนึ่งก็ไม่แน่ใจว่า<ะ>ตัวนี้มันเป็นตายหายตั้งอาทิตย์ใช่หรอไม่ใช่ฮะ ช, ช่วงแวบหนึ่งเท่านั้นเองฮะแล้ว<อ>ถัดมาจากนั้นอาทิตย์หนึ่งเนี่ยผมก็เอารถไปซ่อมแล้วก็เดินกลับบ้าน ก, ก็ปฏิบัติอย่างนี้อยู่เป็นเป็นประจําอยู่เนืองๆ ก, ก็ตามรู้ตามดูอยู่แล้วก็วันนั้นมันรู้สึกว่าเดินผ่านเด็กอยู่คนนึงเป็นวัยรุ่น เราก็รู้สึกก็เหมือนเหมือนกับหุ่นยนต์เหมือนหุ่นที่ตั้งโชว์เสื้อผ้าอยู่หน้าร้านเราก็ไม่แน่ใจก็หันมามองข้างหน้าเพราะเด็กคนนั้นยืนอยู่ด้านขวาก็ปรากฏว่าคนที่เดินสวนมาก็รู้สึกคล้ายๆหุ่นเป็นแข็งๆไม่หมดก็แต่ตอนนั้นก็ยังยังไม่ไม่รู้สึกว่าใจนี่เป็นอะไรดูอะไรหรือว่ารู้สึกว่าอะไรก็เดินต่อไปก็เดินกลับบ้านไปพหลังจากนั้นมาก็ถัดมาจนกระทั่งถึงวันนี้ก็ ก็ค่อยๆรู้ว่าไอ้สิ่งที่เราทําทั้งหมดเนี่ยมันทําไปเยอะเหมือนกันค่อยๆใช้ทําหมดเลยไม่ไม่ใช่ไปรู้มันแบบใช่จริงๆใช่เพราะว่าจังหวะที่เรารู้ตัวเนี่ยวันที่เราเผลอไปเนี่ยจังหวะที่นิดหนึ่งเอ๊ะนิดหนึ่งตรง น, นั้นที่เ<ร> เ, <ล>เอ๊ะเผลอไปแล้วเนี่ย<อ>ตรงนั้นเนี่ยเรารู้ตัวไปแล้วใช่แล้วก็มีจังหวะเล็กๆเราก็มาคิดมาภาคต่อแล้วใช่จริงๆจังหวะนั้นมันเป็นจังหวะที่เราเราอยากแล้วเป็นตัณหาที่เราอยากจะดูเรามาควานขวานหาต้องทำอะไรบ้างใช่ถูกต้องครับ จิตขณะนี้เป็นยังไงตื่นเต้นนะตื่นเต้นไม่เป็นไรจิตมันตื่นเต้นเรากดไว้ครับกดไว้ครให้เรารู้ทันนะมันมีสภาวะสองอย่างที่ไม่เหมือนกันอันหนึ่งเนี่ยนะจิตมันปรุงกิเลสอีกอันหนึ่งกิเลสมันมาปรุงจิตได้ทีแรกจิตมันอย่างมันตื่นเต้นแลจิตมันก็ปรุงไม่ชอบขึ้นมานี่มันปรุงเอง ให้เรารู้ทันไปรู้ทันได้แต่ตัวเนี้ยไม่งั้นเรารู้ไม่ทันนะความไม่ชอบมันก็มามงการเราให้เรามาคอยประคับประคองตัวเองอย่แข็งแข็งแข็งไปนิดหนึ่ง ร, รู้สึกไหมครับอะรู้ไปธรรมดาหลวงพ่อก็มีคําถามนิดหนึงนะ่งครับว่าผมเนี่ยปกติรักสวยรักงามโดยอาชีพนะฮะแล้วก็จะดูกายแต่ว่าจริงๆแล้วจริงๆแล้วเป็นคนคิดเพราะโดยอาชีพก็คิดด้วยอก็เลยไม่แน่ใจว่าจะต้องดูกายหรือว่าคิด โดยตัวหลักจริงๆนะต้องดูจิตเอากายของคุณคุณไปเห็นของสวยของงามเนยจิตคุณไม่ได้มีโลภะไม่ได้มีราคะอะไรมากหรอกไม่ได้หลงกับมันมากปัญหาใหญ่ของคุณคือการคิดถูกให้รู้ถูกไม่โ็หกหรอกอ้าวเบอร์สามสิบดขอบพระคุณครับรู้สึกไป็สบายๆอย่าไปกดนะกด กราบหลวงพ่อเจ้าค่ะก็ไม่ได้ส่งกันบ้านหลวงพ่อหลายเดือนวันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากกว่าทุกวันเจ้าค่ะหลวงพ่อก็มีสภาวะที่หลวงพ่อให้ไปดูความพอใจที่ตัวเองเกิดปัญญาไปเห็นอะไรแล้วพอใจก็ก็เริ่มเห็นเจ้าค่ะคราวนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งมันเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราค่ะแล้วก็เห็นความพอใจว่าดีใจที่เราเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเรา แล้วก็เห็นอีกว่ามันกลัวสภาพที่มันน่ากลัวมากในร่างกาย э ของเราเช้าค่ะเสร็จแล้วจิตเขาก็พิจารณาแยกร่างกายออกนะแยกทิ้งออกไปเป็นส่วนๆแล้วก็พบว่าตัวเรามันไม่มีอพอพบว่าตัวเราไม่มีแล้วจิตก็ตกใจว่าเอ๊ะถ้าตัวเราไม่มีแล้วอ่ะแล้วจิตจะไปอยู่ที่ไหนหเขาก็ถามตัวเองเสร็จแล้วเขาก็ตอบตัวเองว่าจิตก็ไม่ต้องอยู่ที่ไหนก็อยู่ในโลกธาตุ เ, เพราะว่าจิตมัน ก, กว้างใหญ่เต็มโลกกรธาตุอยู่แล้วมันเหมือนกับเอาคำหลวงพ่อมาสอนเจ้าคะ่ะพอเสร็จแล้วหลับ ก, ก็นอนหลับไปพอตื่นเช้าขึ้นมาเดินจงกรมมีความรู้สึกว่าร่างกายเราเนี่ยมันมันกลวงเช้าค่ะหลวงพ่ อ, อ, อมันเหมือนเป็นเปลือกข้างในเป็นอากาศแล้วก็ เ, เวลาที่เราทานข้าวหรือทานน้ำอ่ะมันก็เหมือนกับมันลงไปในอากาศเจ้าค่ะใช่แล้วถัจากนั้นมาก็ กับสุขภาพเดิมก็คือลงบ้างเผลอบ้างคราวนี้เจ้าค่ะมีอยู่อย่างนี้แหละใช้ได้ช่วงช่วงหลังๆจะรู้สึกเวลาที่เข้าไปอยู่ในกลุ่มคนเยอะๆจะรู้สึกว่ามันไม่มีคนอยู่เจ้าค่ะอย่างเช่นรู้สึกว่าอย่างอย่างในศาลานี้ก็จะรู้สึกเหมือนมีตัวเราอยู่คนเดียวเหรอหลวงพ่อดูไม่มีเราด้วยมันเป็นยังไงเจ้คะหลวงพ่อมันพอนาเป็นสิเจ้าค่ะภาวนาไปงั้นแหละมันค่อยๆถอนความเห็นผิดไปเรื่อย เม้แต่สุดท้ายมันยังรักตัวเองอยู่พตัว<ช>เรา<ช>หายไปมันก็ตกใจอะไรเงี้ยนะ้นเราดูไปอีกนะั้นจนวันหนึ่งใจมันยอมรับความจริงว่าตัวเราก็ไม่มีถ้าใจยอมรับความจริงว่าตัวเราไม่มีเมื่อไหร่ก็เป็นพระโสดาบันเมื่อนั้นนะไป<ช>นะ้ฝึกไปมาได้เดยอะละวกราบขอบพระคุณเจ้าคะท่นนี้มีอยู่ข้อหนึ่งพอดีว่า ก็มีกลุ่มที่ปฏิบัติธรรมด้วยกันพี่พี่น้องๆลูกศิษย์บ้างลูกศิษย์คือเป็นเป็นอาจารย์สอนหนังสือเจ้าคะเขาก็สงสัยว่าถ้าเกิดว่าในในชาตินี้เนี่ยผู้ที่ปฏิบัติธรรมได้จนถึงโสดาบันแล้วเนี่ยนะเจ้าคะพอเกิดตายไปแล้วชาติต่อไปเนี่ยจะแบบจิตนี้จะเป็นโซดาบัลต่อหรือว่าจะต้องดําเนินใหม่เจ้าคะไม่ต้องใหม่หรอ ก, รอกเป็นแล้วก็เป็นเลยแต่มันจะลืมนะเพราะโซดาบัลเนี่ยมันอย่างขี้ลืมอยู่ กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยไปได้ยินธรรมะอะไรนิดนึงนะจิตเขากลับมาที่เดิมเลยไม่ได้ตัดเกิดอริยมังอีกแล้วเกิดแล้วเกิดเลยไม่มีเกิดซ้ำแล้วนั่นในสังสารวัตเนี่ยเรามีโอกาสเกิดอริยมัรคได้สี่ครั้งนะั้นไม่มีครั้งที่หนะ้าไม่ต้องไปกังวล น, นะได้โสดาแล้วก็ตายไปไม่ต้องไปเริ่มใหม่หรอกมัน ย, ยังง่ายกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะจะผ่านะนะใจมันจะคืนมาอย่างรวดเร็วเลยได้ยินธรรมะนิดเดียวก็คืนมาแล้ว เอเบอร์หกนมาสการหลวงพ่อเจ้าค่ะคือตอนนี้ตื่นเต้นค่ะ อ, อยากพูดถึงแนวทางที่ปฏิบัติมานะคะก็ก่อนหน้านี้ตอนทุกเช้าเนี่ยจะมีการสวดมนต์นะคะแล้วก็จะดูตื่นมาก็จะดูติดบ้างบางีคือก่อนหน้านี้จะดูติดง่ายกว่าคือเหมือนกับบางทีจะดูติดบ่อยเห็นได้บ่อยกว่าตอนช่วงนี้ค่ะแต่ว่าไปถึงเฉพาะช่วงกลางวันนะคะพอตอนเย็นกลับบ้านมาเนี่ย ก็จะเหมือนเดิมคือเหมือนกับว่าจะดูติดได้บ่อยเหมือนเดิมพอตอนเย็นกลับมาก็จะไปเดินจงกลมค่ะแล้วก็จะเดินไปเรื่อยๆเหมือนเดินเล่นนะคะแล้วก็ถ้ารู้สึกมีความสุขรู้สึกรู้ตัวนะคะแล้วก็พอกลับพอกลับบ้านมาเนี่ยก็ฟังซีดีหลวงพ่อเสร็จแล้วก็ไปนั่งสมาธินะคะพอนั่งสมาธิจะจะนั่งแบบไม่ได้ไม่ได้ดูลมหายใจอะค่ะก็จะนั่งนั่งไปเสร็จแล้วก็ อะไรเกิดขึ้นก็จะรู้อย่างนั้นม ไ, มไม่คิดว่าน่าน่าจะถูกใช่ไหมคะหลวงพ่อถูกส<อ>ีถูกค่ะก็เพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่ได้มีวิหารธรรมแต่ว่าพอรู้สึกอะไรเกิดขึ้นก็จะรู้สึกอย่างนั้นนะคะแล้วก็พมีอยู่วันหนึ่งนั่งสมาธิไปแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนกับเป็นโค้งอะคะ่ะเหมือนกับมันจิตมันวิ่งไปตามโค้งอยู่ไปทั่วก็เลยรู้สึกว่าเหมือนกับว่า ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเราเหมือนเป็นโครงอะค่ะก็ไม่ทราบว่าที่เห็นถูกใช่ไหมคะถูกต้องเลยนะเนี่ยบางคนใช้ภาษาเป็นโครงบางคนบอกมันโครงกลวงนะสมัยพุทธกาลพุทธเจ้าใช้บอกเป็นเป็นถ้ำมันเหมือนเป็นถ้ำนะบอกกายนี้เป็นครูหาเป็นถ้ำให้จิตอาศัยอยู่จิตก็เที่ยวไปอย่างรวดเร็วเห็นไหมเราเห็นตรงที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วนะถ้าภาวนาถูกนะถึงจะเห็นภาวนาผิดไม่เห็นองค์ก็นิ่งนิ่งไปเรื่อยๆไม่มีปัญญา ดีไปฟื้อีกแต่ว่าตอนพอหลังจากวันนั้นก็ไม่เห็นอีกนะอย่าอยากเห็น <คะ S 1> ที่มันไม่เห็นเพราะอยากเห็นอ๋อคะนะ่ะความอยากามันเป็นกิเลสมันทําให้สติไม่เกิดหรอกคะนะ่ะให้รู้ทันว่าอยากอเบอร์5้าสามขอพูดคำหมดหลงพ่อนมัสการค่ะหลวงพ่อคือว่ารู้สึกว่าปฏิบัติแล้วมันพัฒนาลงอะค่ะหลวงพ่อมันพัฒนาลงยังไงมันรู้ตัวได้แบบน้อยลงอะค่ะเหรอแล้วมันไปไหนอะ มันเผลอไปไหนก็ไม่รู้ค่ะมันหลงแบบรู้ตัวได้แบบหลง น, นานานานค่ะรู้สึกก็หงนานห ล, ลงนานไปเดินจกลมไหมนะเดินไปเดินมาแล้วก็คอยรู้สึกเห็นร่างกายมันเดินเรื่อยๆแต่อย่าไปเพ่งนะอย่างตอนนี้จิตมันจะน้อมไปเพ่งเอ า, อ ย, าอย่างนี้ เ, เรียกเพ่งใช่ไหมใช่อย่างไม่เพ่งนะให้ค่อยรู้สึกสงสัยรู้สึกไหม ะะเออเนี่ยสงสัยผุดขึ้นมาเราก็รู้ว่าสงสัยให้รู้ความรู้สึกลงปัจจุบันหัดดูสภาวะบ่อยๆนะรับสติจะเกิดบ่อยอย่างตอนเนี้ใจหนีไปคิดทราบไหมนิดนึงอะค่ะเนี่ยให้หัดดูอย่างเนี้ยหัดดูสภาวะบ่อยๆนะรับสติจะเกิดเร็วขึ้นเนี่ยใจไปคิดอีกแล้วแล้วใจอยากพูดรู้สึกไหมค่ะนิดนะคะอนั่นแหละหัดดูอย่างนั้นแหละหัดดูความรู้สึกของเรานะมันจะทํางานตลอดเวลาจะไปสติมันจะเร็วขึ้น หลวงพ่อสงสัยอีกนิดนึงค่ะมีอยู่วันหนึ่งนะคะนั่งทานข้าวอยู่แล้วช่วงจังหวะที่ยกมือขึ้นเนี่ยมันหายไปแวบหนึ่งคือเราหลงไปคิดใช่ไหมคะที่มันดับมั น, น <ำ S 1> แลง้งไปเฉยเใช่ไหมค่ะมันวน่น<ม>ั <ไป S 1> จิตมันลงภวังเฉเฉยไม่ได้หลงไปคิดนะเป็นปกติเลยปกติจิตขึ้นมารับอารมณ์แล้วก็วจะหายแวบไปอย่างนั้นแล้วก็ขึ้นมารับใหม่เพียงแต่เรามองไม่ทันนิสติเราเริ่มเร็วคือเราเริ่มเห็นมันชีวิตเราขาดเป็นช่วงแล้วรู้สึกไหมตะกี้เหมือนคนคนหนึ่งเลยเหมือนเกิดใหม่ขึ้นมจริง ดีค่ะหลวงพ่อแล้วคือมันเคยรู้สึกตัวได้ทีทีแต่ว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มันมันเหมือนดาวลงไปเลยก็ไม่รู้จะทํายังไงก็เลยฟังซีดีหลวงพ่ อ, อ, อยึดเอาไว้ค่ะได้อย่าโลภก็แล้วกันถ้าอยากให้ดีเหมือนเดิมมันจะไม่ดีใช่ไหมนะเพราะว่าความอยากจะให้มันดีนั่นแหละเป็นกิเลสเพราะงั้นเรามันเสื่อมรู้ว่าเสื่อมเสื่อมแล้วไม่สบายใจรู้ว่าไม่สบายใจนี่รู้โลกปัจจุบันแบบนี้นะเอาเบอร์เจ เลืออีกสคนนะ 70. 120, 9, 40, 1 2สิบรการนมักการค่ะหลวงพ่อส่งกันบ้านในรอบเดือนหนึ่งค่ะ เ, เดือนหนึ่งที่ผ่านมาที่ไปปฏิบัติเนี่ยก็รู้อะไรเพิ่มขึ้นหลายอย่างเหมือนกันนะคะคืออัตตาเนี่ยเยอะมากมนะคะแล้วก็รักตัวเองอยู่นะคะเพราะว่าวันนั้นเดินเดินแล้วรถจะเฉียวรู้สึกเหมือนรักตัวเองขึ้นมาทันทีเลยนะคะแล้วก็จิต ด, ดือ้อ ใช่ตัวเนี้ยเด่นตัวดื้อเนี่ยเด่นค่ะจิตดื้อค่ะคือบางทีฟังอย่างฟังซีดีหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อจะพูดสอนอยู่เสมอว่ากายไม่ใช่ตัวเราจิตไม่ใช่ตัวเราอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันก็ฟังเฉยเฉยบางทีมันก็เถียงอืค่ะให้เรารู้ไปนะมันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเถียงของมันเองค่ะน่ยดูไปอย่างงั้น เวลาที่จิตมีกิเลสขึ้นมานะถ้าเราไม่ปิดตกใจสะก่อนเนี่ยจิตกําลังมีจุดอ่อนให้เราเห็นนะกิเลสมีจุดอ่อนแะมันจะทําให้เราเห็นว่ามันเป็นไปเองอมันไม่ใช่เราหรอกนะดูไปเลยนี่มันเถียงหลวงพ่อเองเราไม่ได้เถียงเพราะงั้นมันบาปนะเราไม่บาปค่ะยังยังยังถูกทางอยู่ใช่ไหมคะถูกดีขึ้นด้วยซ้ําไปรอยี่สิบเก้ขอบคุณค่ะกราบเรียนหลวงพ่อฮะ สักประมาณปกติผมก็จะนั่งสมาธิทุกวันวัน ล, ละประมาณสักชั่วโมงหนึ่งเดินจงกรมทุกวันวัน ล, ละประมาณสักชั่วโมงครึ่งเป็นอย่างนี้ประมาณสักปีหนึ่งได้แล้วฮะมีสักสองอาทิตย์ที่แล้วพอดีผมเดินไปงานศพเดินอยู่ดีๆตอนช่วงเช้าจิตมันก็รวมผมผมรู้ว่ามันรวมปุ๊บพอช่วงเย็นผมเดินเดินอยู่ดีๆปุ๊บมันคิดอะไรผมก็ได้ยินเสียงมันคิดดังมากเลยฮะมัน เ, เหมือนมันตะโกนใส่ผมเลยตลอดเวลาอผม โงงสายผมก็ตะโกนเฮ้ยอะไรวะมันกตะโกนสายผมอีกเลยผมรู้ว่าเฮ้ยอะไรพอจะเดินข้ามถนนมีคนเดินสวนมามันตกใจมันก็ตกใจผมก็เห็นมันตกใจเลยผมก็ผมก็ไม่เคยเจอผมก็ยักในไตายลักเฮ้ยมันไม่ใช่ตัวเราเลยก็รู้สึกว่าผมกําลังทําส่วนเกินอยู่มันไม่ใช่อย่างนั้นเแล้วผมก็เคิดว่าเฮ้ยมันมันคืออะไรเนี่ยมันก็พูดอย่างนั้นอีกเลยผมก็พยายามทําทุกวิถีทางทุกอย่างเลย เลยผมก็เห็นว่ามันไม่ใช่เลยทุกอย่างเนี่ยมันผิดหมดเลยที่ผมใพยายามทําอยู่อยู่เฉยๆดูมันเฉยๆก็พอละถูกต้องละมันมันแสดงจุดอ่อนให้เราเห็นแล้วเห็นไหมมันแสดงไตรักออกมามันทํางานเองมันไม่ใช่เราหรอกแต่ภาพมันจะค้างอยู่จนถึงอีกวันหนึ่งของเที่ยงเลยฮะตั้งแต่ตอนเย็นมันอยู่แล้วมันเหมือนกับว่ามันไม่เกิดไม่ไม่แสดงอนิจจังมันเหมือนว่ามันค้างอยู่งั้นมันค้างก็รู้ว่าค้างมันมัน มันคงที่มันเป็นอัอาตราฮะมันไม่ดับมันมีแต่เกิดแล้วก็ไม่ยอมดับเลยฮะเ อ, อย่าไปเกลียดมัน<ะ>รู้ด้วยความเป็นกลางนะขอบพระคุณท่หลวงพ่อดีภ<ะ>าวนากันเก่งๆเยอะเลยรอบนี้ อ, อ้าวร้ยสบเกร่าวนมัสการค่ะคือว่าเพิ่งมาเป็นครั้งแรกค่ะแต่ว่าก็นั่งฟังซีดีหลวงพ่อมาเหมือนกันนะคะอยากกลาวถามว่าปัจจุบันทําถูกหรือเปล่าคะที่ภาวนาอยู่ดีแล้วนะ ใช้ได้อย่างใจเราตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นนะใจเราเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นดูเล่นๆไปอย่าไปกังวลอย่าไปกังวลกระวายอย่าไปกลัวจะไม่ดีนะกังวลเก่งไหมก็เก่งมากเลยค่นะนั่นอ่ะเป็นจุดอ่อน้องเรานะมันชอบกังวลให้เรารู้ทันมันกังวลเราก็รู้ต่อไปใจเราจะเป็นกลางใจเราจะแข็งแรงกว่านี้อีกอย่างตอนนี้ ใ, ใจมันสงสัยขึ้นแวบหนึ่งรู้สึกไหม <C> e อันนะั้นเราก็รู้ทันมันเนี่ยหัดรู้ทันมันไปเรื่อยๆนะตอนเนี้ใจมันไหลไปรู้สึกไหมมันจะไหลไปคิดค่ <c> นะแล้วมันไหลไปเราก็คอยรู้เนี่ยคือการปฏิบัติการปฏิบัติก็คือการตามรู้สภาวะทั้งหลายไปเรื่อยๆจิตใจไปทําอะไรเราก็คอยรู้เล่นๆไปเรื่อยๆอย่างตอนเนี้มันไปคิดแล้วทราบไหมค่ <c> นะรู้เล่นๆนะที่ฝึกอยู่พอใช้ได้แล้วไปฟรีนะอย่าขนะี้เกียจ น, นะค่ะขอบคุณค่ะชีวิตจะได้สบายไม่กังวลต่อไป กังวล น, น้อยลงอาเชิญโยมกลับบ้านฮะไม่มีอีกเหรอ อ, อีกคนหนึ่งนมาสการเจ้าค่ะหลวงพ่อรู้สึกไหมเอาหมูกระดานมาคุยไทยแล้วเจ้าค่ ะ, ะ<อ>ตัว<อ>ปลอมอพี่เกียรคุยด้วยหลวงพ่อเจ้าค่ะหนูไปดูงานที่มาดิฟมาแล้วทีแรกก่อนจะไปเนี่ยหนูก็ตั้งใจว่าหนูจะไม่ดูจิดละ พราะถ้าหนูดูติดแล้วหนูก็จะไม่ได้ทํางานแล้วก็ไม่ได้ดูอย่างอื่นอพอหนูไปถึงมาลดีฟแล้วมันก็พลักครับเม็ดใช่ไหมคะพอไปปุ๊บสวยปุ๊บสวยดาบเหมือนฐานร้อนแล้วก็ลงน้ำฝึบฝึบลงมาแล้วจากนั้นหนูก็จะรู้รู้อะไรแบบที่หนูไม่ได้ตั้งใจรู้แล้วนะคะหนูก็อาจะจะหยุดก่อนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาเขารู้เหมือนเหมือนอืมอ๋อืเ<อ>นี่ยแหละถ้าเราเราไม่จงใจนะมันถึงจะรู้จริงๆ ถ้ตั้งใจจะรู้ไม่รู้จริงหรอหนูก็เลยไม่ได้งานอีกแล้วก็อบอกแล้วทํางานยากลแล้วแล้วแล้วหนูก็เลยแล้วหนูรู้ถีมากจนหนูเหนื่อยมากค่ะหลวงพ่อแล้วหนูก็ทําสมถะไม่เป็นหนูก็ลองทําสมถะหลว ง, งพ่อให้ให้หนูว่าอะไรที่ความสุขเป็นเหตุไก้ให้เกิดสมาธิใช่ไหมเจ้าคะหนูก็ลองทําสมาธิฟังฟังซีดีหลวงพ่อก็แป๊บหนึง่งเดี๋ยวมันก็มันก็รู้อีกแล้วอะค่ะรู้ว่าฟัง หรือว่าคิดมันรู้ของเขาเองอะคะ่ะและ<อ>้วหนูแล้วหนูรู้มารู้ไปแล้วหนูก็หายไปไหนก็ไม่ทราบตัวหนูหายเออหายก็รู้ไปเดี๋ยวมันก็มาแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยก็จะเกิดสภาวะเหมือนกับฟุ้งซ่านนะคะฟุ้งซ่านในธรรมแล้วเขาก็สอนหนูเขาสอนหนูดีมากเลยนะหนูก็หลงไปฟังเขาว่านั่นแหละให้รู้ทันว่าฟุ้งซ่านใช่ไหมคะเขาเขาสอนหนูว่าเออเหมือนหนูเห็นทุกอย่างเนี่ยมันมันคือสมมุติ เราก็ควรจะให้เกียรติในสมมติแล้วก็อย่าไปติดยึดในสมมุติแล้วก็เป็นเสียงหลวงพ่อด้วยนะคะถ้าไม่เป็นเสียงหลวงพ่อหนูก็จะไม่ฟังแล้วหนูก็มาลุยพิธีนี่นี่มันฟุ้งซ่านในธรรมเนี่นะแล้วก็มันแต่เข้าใจมากเลยนั่นแหละใครรู้ทันไวเดี๋ยวนี้นะหลวงพ่อเทศโดยไม่ต้องเปิดซีดีแล้วหลวงพ่อคะหนูไปทําอะไรเพี้ยนเพียนหรือเปล่าคะไม่เพี้ยนหรอก๋ยวหมกมุ่นในการปฏิบัติมากนักเบรกตัวเองบ้างหนูเบรกยังไงอะคะนะไม่รู้จะเบรกไงทําสมถะไม่เป็น จุดที่เด็กได้ก็คือทําสมถะหนูลองฟังเพลงที่ไม่ใช่ธรรมาที่ลองฟังเพลงธรรมดานะคะสมุทรอนเพลงแล้วคือสติมันแรงตอนเนี้ยมันไม่เอาละมันเกินไปใช่ไหมหนูทำยังไงดีแล้วสวดมนต์ไปทําใจสบายๆไปเดินจงกรมไปทําอะไรที่เป็นรูปแบบซ้ําๆซักๆไปมันเดี๋ยวสักพักหนึ่งหนูยเดินดูเหมือนไม่เดินไปเดินด้วยความตั้งใจตรงใจจะเดินให้สงบ จะขยับตัวจะให้สงบเนี่ยไม่เป็นหรอกต้องทําเล่นๆลาออกไม่ได้ใช่ไหมเจ้าคะลาออกดูจิตไม่ได้หลวงพ่อเขาเคยเป็นนะล้วว่กลุ้มใจบอกววันนี้ขอไม่ดูสักวันเถอะมันไม่ยอมหรอกนะตอนหลังมากลับมารู้ลมหายใจแล้วหายเขาคุณดูลมหายใจไม่ได้คุณไปเดินเล่นไปแล้วก็ดูสบายๆไปอทําไม่ได้อ่ะไปทําไม่ได้ลําบากไปก่อน